วันนี้ก็ปารลบทาบุญบ้านพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าทาบุญเนี่ยก็มีสามอย่างง่ายๆให้ทานวันนี้เราก็ปารบถวายพัตตาหารนะแต่ยังไม่ได้ถวายก็เป็นการให้ทานแหละหนึ่งอย่างแล้วก็รักษาศีลเราเมื่อกี้อรัธนาศีลรับศีล ใช่ไหมแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นการสั่งสมบุญอีกแบบหนึ่งศีห้ก็เป็นศีลที่เหมาะกับพวกเราเลยที่เป็นค า, วาราวะคารวะนี่ก็คือผู้ที่อยู่ครองเรือนยังอยู่บ้านยังไม่ได้ออกจากเรือนเพื่อที่จะทําความเพียรเหมือนพวกนักบวชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ศีลก็เป็นแค่ข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันเหมาะสมกับสถานะของของตนของตนอย่างคนที่ยังอยู่ครองเรือนก็ยังต้องทำมาหากินใช่พอทำมาหากินเนี่ยเราก็มีศีลห้าเป็นเป็นพื้นเป็นเครื่องดำเนินเป็นแนวดำเนินชีวิตของเราเพื่อที่จะไม่สุ่มเสีย่ย ที่จะทำสิ่งไม่ดีแล้วก็เป็นการสั่งสมเป็นการาขัดเกลวสภาวะของจิตใจและที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เรามีศีลศีลห้านะศีลห้าที่มันดีเนี่ยมันก็จะไปทำให้เรื่องที่มันจะวุ่นวายในชีวิตของเราเนี่ยจากภายนอกมันก็จะลดลงได้ แต่ถ้าเรามีศินค้าที่ไม่บริบูรณ์อย่างเราไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจาไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทําอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนน่ะที่จะช่างมันได้บางคนก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเราเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบียนเราเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันวุ่นวายอยู่ในภายนอกเนี่ยมันก็จะมีมากแต่ถ้าเรามีสิลค้าที่มันดีนะเราไม่ ทำร้ายใครเราไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาเรามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจคู่ของเราเราไม่ดืม่มเครื่องดองของเมาเราก็ไม่ขาดสติเพราะไม่ขาดสติเราก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ซุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะผิดศีลไม่ซุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะทำอะไรอะไรที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลนี่มันบริบูรณ์อยู่ได้ เรื่องเร่าร้อนจากภายนอกเนี่ยมันก็สงบระงับไปได้ดีแต่แน่นอนว่าการที่เราไม่มีเรื่องวุ่นวายในภายนอกแล้วเนี่ยชีวิตเราก็ยังมีเรื่องวุ่นวายอยู่ในภายในด้วยเหมือนกันอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเราอยู่เฉยๆเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยคิดสาตะคิดถึงเรื่องนนคิดถึงเรื่องนี้เรื่องที่มันก่อกวนวุ่นวายใจ และโดยมากเนี่ยเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้จิตใจเรามันเช่มชื่นเบิกบานแต่โดยถ่ยเดียวแน่นอนแหละถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยเกินครึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบเบื่อเศร้าเหงาเซงหงุดหงิดขัดเคืองใจเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความสุขในชีวิตที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความทุกข์ที่ มันลดลงได้เนี่ยการบริหารจัดการชีวิตเราก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการบริหารชีวิตในภายนอกเนี่ยเราก็มีสีเป็นกรอบมีศีลเป็นเครื่องดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็ลดความวุ่นวายลดความทุกข์ที่มันจะมากระทบกระเทือนเราได้ระดับหนึ่งแล้วแต่แน่นอนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าจิตใจเราก็ยังไม่ได้รับการ ดูแลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเครื่องดําเนินทางด้านจิตใจเราก็อย่าละเลยจากการที่เราได้ทําบุญนะทานก็ดีศีลก็ดีตัวสุดท้ายก็คือภาวนาภาวนานี่มุ่งเน้นลงตรงที่จิตใจของเรานี่แหละให้ใจเราเป็นใจที่ไม่วุ่นวายให้ใจเราเป็นใจที่สงบแล้ว การที่เรามีความสุขใจแบบนี้เนี่ยมันดีแบบไหนมันดียังไงมันต่างจากการที่เราไปดูหนังฟังเพลงจากการที่เราไปเที่ยวเล่นหรือไปพักผ่อนต่างจังหวัดอย่างนี้มันก็เป็นความสุขกันคนละแบบแต่ความสุขที่เราหาได้จากแบบวิธีปกติธรรมดาที่เราหาเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นวิธีแบบโลกโลกใช่ไหม ที่เราไปดูหนังฟังเพลงไปกินข้าวไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่กับคนที่เรารักอย่างนี้เป็นตน้นมันก็เป็นความสุขอะที่เราหาได้แบบนี้แต่ความสุขประเภทนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตใจเราให้ดีๆคอยหมั่นสังเกตให้ดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีสิ่งตกค้างที่ยังเหลืออยู่ในจิตใจของเรานั่นก็คือ ความไม่อิ่มความไม่อมพอดีใจมันก็ยังหิวอยู่เรื่อยเหมือนอย่างอย่างเราไปเที่ยวอย่างเงี้ย อ, อย่างเด็กๆ ก, ก็ได้เด็กๆนัดกับเพื่อนไปเที่ยวอย่างเงี้ยพอไปเที่ยวกันแล้วมันเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าแรกๆมันก็สนุกดีใช่ไหมแต่พอสักพักไปมันก็เริ่มที่มันจะดจืดจืดอะมันก็จะมีจังหวะที่เราก็รู้สึกเฉยๆยิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่กันด้วยสักสามสี่คืน เราก็จะเห็นได้ว่าไปช่วงแรกเนี่ยโอ้มีกิจกรรมเลยก็สนุกดีแต่พอสักพักสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะแบบทําอะไรดีความสุขเราเนี่ยกราฟมันไม่ได้ขึ้นตลอดหรือไม่ได้อยู่เป็นเส้นตรงแนวราบได้ตลอดมันก็จะมีช่วงในแบบจืดๆเบือ่อๆแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรดีเราหาความสุขแบบนี้ก็เพื่อคาดหวังที่เราจะให้กราฟความสุขของเราเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหม แต่ผลสุดท้ายเนี่ยที่เราได้รับ ก, ก็คือว่ามันก็ยังหิวในอารมณ์อยู่มันก็ยังรู้สึกไม่พอดีไม่อิ่มไม่เต็มสักทีหนึ่งด้วยความคาดหวังว่ามันจะดีมันจะอิ่มมันจะเต็มมันทำให้ใจเรารู้สึกมีความบริบูรณ์เต็มอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็ยังต้องหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆบางครั้งหาได้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่ดีแต่คราวไหนที่หาแล้วมันไม่ได้ มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนทุกสองเด้งทุกจากความเบือ่อทุกจากความหิวกระหายจากอารมณ์แล้วก็มาทุกอีกเด้งหนึ่งก็คือจากความที่อยากได้แล้วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันก็ต้องบริหารแบบจิตใจนะถ้าเราพูดกันง่ายๆเนี่ยจิตใจมันก็เป็นอะไรที่มันสัมผัส ด, ด้วยมือไม่ได้สัมผัสด้วยตาไม่ได้ สัมผัสด้วยวร่างกายก็ไม่ได้มันเป็นนามธรรมแบบหนึง่งแต่มันก็สัมผัสได้ด้วยใจเรานี่แหละเราก็รู้สึกได้แล้วยังไงเราก็ควรจะต้องมีวิธีบริหารจัดการมันน่ะให้มันดีให้มันตรงจุดกับสภาวะของจิตใจเราด้วยอย่างภายนอกร่างกายเราเราก็ร้อนนะเราก็ไปอยู่ห้องแอร์บ้างให้มันเย็นเย็นหิวแล้วก็หาอะไรให้มันกินใช่ไหมมันก็บริหารแบบ ภายนอกไงแต่ภายในเนี่ยโดยมากเนี่ยเราบริหารจากภายนอกมากเพื่ออะไรเพื่อหวังว่ามันจะไปเติมเต็มอยู่ในภายในภายในจิตใจของเราแต่ทีนี้รพระบุทจ้าก็นาเสนอว่าเราก็บริหารจิตใจเราได้ตรงๆที่จิตใจเราเองเลยก็ได้นะเพราะว่าสภาพจิตใจของเราเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่เสพอารมณ์เนี่ย ถ้าเบื้องต้นเนี่ยมันเสพอารมณ์จากไหนเสพอารมณ์จากสิ่งที่เราได้เห็นอย่างเราไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็มีทั้งอารมณ์ที่เราพอใจอารมณ์ที่เราไม่พอใจอย่างคนดูข่าวเนี้ยบางคนดูฝ่ายที่ไม่ชอบดูไปก็ขัดเคืองดูไปก็หงุดหงิดแต่ถ้าเกิดฝ่ายนี้เราเชียร์เนี่ยเราก็รู้สึกเออใช่ใช่ใ ช, ใ ช, ใช่ก็มีความเมามันกันไปอันนี้มันก็คือ S 1> <S 1> แสดงใ ห, ห้เห็นว่าไอสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเปลี่ยนถูกเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่พอใจอย่างหนึ่งหละแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างหนึ่งหละแล้วก็เป็นอารมณ์ที่มันเฉยเฉยอย่างหนึง่ง3อย่างทีนี้เวลาที่เราได้อารมณ์ที่เราพอใจแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รับความสุข ถ้าเราได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมันก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์เราก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในหนึ่งวันหรือในช่วงชีวิตของเราเนี่ยสุดท้ายมันก็ขมวดมาตรงที่ว่าเราอยากที่จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็พยายามที่จะไม่มีความทุกข์ใช่เพราะนั้นจุดประสงค์หลักใหญ่ใจความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าขมวดเหลือแค่ว่าสุขกับทุกข์นี่เอง ไม่ว่าเราจะพยายามทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปจบอยู่ตรงที่ว่าเราก็อยากให้มีความสุขแล้วก็ถ้ามีความทุกข์เนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ทุกข์มันหายไปทาให้ทุกข์มันหมดไป2 อ, อย่างเราทำงานเรามีเงินมากมากเราเก็บตังค์ได้มากๆก็เพื่อหวังว่าหวังว่าเราจะมีความสุขในการที่เราจะได้ใช้ใจ่ายซับมีความสุขที่เราจะอาเอาเงินไปจับใจ ซ, ซื้อนูนซื้อนี่เพื่อที่จะได้ ได้ในสิ่งที่น่ายินดีพอใจแล้วเราก็รู้สึกว่าอืมเราได้รับความสุขจากสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราสัมผัสเหล่านี้แต่ถ้าเกิดในสิ่งเหล่านั้นมันไม่ตอบโจทย์เราเกิดไม่ยินดีไม่พอใจเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเป็นความทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้าว่าเออถ้าเราไม่ได้สุขคิดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลงๆประเด็นหน่อยว่าเอ้ทุกวันนี้เรา เราดำเนินชีวิตเรามีกิจกรรมในชีวิตของเราเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแตเ่เราก็อยากที่จะทำให้เรามีความสุขใจที่มันมากขึ้นใช่ไหมมีความทุกข์ใจที่มันลดลงใช่ไหมพอพูดถึงทุกข์ใจเนี่ยใครๆก็มีวิธีบริหารจัดการเหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ พระพุทธเจ้านําเสนอให้อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าบริหารใจจริงๆของมันเลยแล้วกระบวนการขั้นตอนของใจเราเนี่ยมันก็มีหน้าที่อย่างที่ว่าไปก็คือกินอารมณ์เสพอารมณ์เสพอารมณ์จากไหนเสพอารมณ์เสพอารมณ์จากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางความคิดนึกปรุงแต่งพอเสพอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ไปเปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่ พอใจเราก็เปลี่ยนเป็นความสุขไม่พอใจก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์เพราะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ากระบวนการของใจเราเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเรากินข้าวเนี่คนเรามันก็ต้องอยู่ด้วยข้าวและน้ำใช่ไหมอยู่ด้วยอาหารใจเรามันก็อยู่ด้วยอารมณ์เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคนเราก็ไปยามหาอาหารที่มันดีใช่ไหมมาบํารุงเลี้ยงร่างกายของเรา พยายามอะไรที่เขาว่าดีอะไรที่เขาว่าดีแล้วก็ไปสรรหามากินนะยิ่งยุคสมัยนี้นี่ก็คนเริ่มที่จะใส่ใจสนใจกับสุขภาพที่ดีขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นเราก็เห็นได้เลยว่าดัชนีบัญชีวัดอยู่ที่โฆษณาเนี่ยเลยนะโฆษณาอาหารเสริมก็เต็มไปหมดโฆษณาอ า, อาหารอะไรที่ว่ามันดีอะไรที่ว่ามันดีกับร่างกายเนี่ยก็โฆษณากันเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าอืม มันต้องได้รับการบํารุงนะร่างกายเราเนี่ยถ้ามันป่วยไข้เนะี่ยถ้าเรากินของไม่ดีมันก็ป่วยไข้ใช่ไหมมันก็ไม่ดีใจเราก็เหมือนกันนะใจเรามันก็ต้องการอาหารดีๆเหมือนกันอาหารดีๆก็คืออารมณ์ในฝ่ายดีแต่ทีนี้อารมณ์ในฝ่ายดีกับอารมณ์ที่มันเป็นในฝ่ายชอบใจเนี่ยเราต้องแยกขาดออกจากกันสัหน่อยหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าอารมณ์ที่เราชอบใจคืออารมณ์ที่มันดี อันนี้ก็ไม่เสมอไปก็เหมือนกับเหมือนอาหารที่เรากินก็เหมือนกันสมัยนี้อะไรอะไรก็ต้องใส่ชีสเยอะๆใช่น้ำตาลเยอะๆหวานๆอย่างเงี้ยคนก็ชอบแต่สุดท้ายก็มันมากเกินไปมันก็ทำให้เบาหวานบั่งและความดันมัางและไขมันมั่งแหละตามาเป็นขบวนเลยเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ มันถูกใจกับปากกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยมันก็คนละแบบกันเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเลือกอันที่มันมีประโยชน์ด้วยนอกจากจะเลือกอันที่มันเอาแต่ชอบใจอย่างเดียวเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะมีสุขภาพที่มันดีถ้าเรามีสุขภาพไม่ดีแล้วเราก็ 1. เราก็ไม่ชอบ 2. ค่าใช้จ่ายในชีวิตเราก็มากขึ้นอีกแล้วถ้าไม่มีตังด้วยนะมันก็ทำให้ชีวิตเราด้งรู้สึกว่าโอ้มันไปยาก ความทุกข์มันก็จะถาถมเข้ามาแหละทุกกายด้วยนะทุกใจด้วย2เดงเลยแล้วทีนี้อาหารดีร่างกายของเราเราก็รู้แล้วละว่ามันเป็นลักษณะอย่างไงบ้างแต่อาหารดีที่ให้กับใจเนี่ยมันเป็นอย่างไงอาหารดีที่ให้กับใจเนี่ยคือถ้าใจกินไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าปรับสภาพจิตใจ ทำให้ใจมันมีคุณสมบัติคือสงบเยือกเย็นไม่เร่าร้อนไม่ขุ่นมัวมีความผ่องใสมีความเบิกบานอยู่ในจิตใจอันนี้ก็คือใจที่มันมีสุขภาพที่ที่ดีเวลาที่ใจเราสุขภาพไม่ดีมันเป็นยังไงมันก็จะป่วยด้วยโรคหิวแหละรู้สึกว่าไม่พอมุดงิด อยากจะหาอนุนอันนี้มาให้มันได้ตอบสนองจิตใจอยู่ตลอดโรคหิวอันหนึ่งแลแล้วก็โรคร้อนร้อนจากอะไรร้อนจากความที่ไม่ยินดีขัดเคืองอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจมันก็ทำให้จิตใจเรามันเร้าร้อนขัดเคืองขึ้นมาใช่ไหมอันนี้สภาพมันก็จะแบบเหมือนอารมณ์เหมือนโดนไฟลนประมาณนั้นนะใช่ เพราะฉะนั้นสองโรคละที่สภาวะจิตใจไม่ดีมันจะแสดงออกได้อย่างนั้นก็คือหิวร้อนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้มันจะดูยากๆหน่อยก็คือมึอนๆซึมๆแต่มันก็อาจจะไม่ร้อนอาจจะไม่หิวแต่มันก็ทําให้เราเรียกว่าขาดความรู้ขาดความเห็นที่จะทําอะไรให้มันดี อะไรที่มันดีก็ไม่รู้อะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่รู้แล้วส่วนมากก็ทำในสิ่งที่ชอบใจแล้วพอทำสิ่งที่ชอบใจอย่างเดียวมันก็ไม่ได้พัฒนาไม่ได้พัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นเพราะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขที่มันมากขึ้นมีความทุกข์ใจนะที่มันลดลงเราก็ต้องมาหัดพัฒนาศักยภาพของใจด้วยให้ใจของเรานี่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ศักยภาพที่1รู้ว่าอะไรที่มันเป็นอาหารใจที่ดีอะไรที่เป็นอาหารใจไม่ดีพอรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีกำลังใจด้วยมีกาลังใจที่เลือกที่จะเสพในอาหารใจที่มันดีแล้วก็ปฏิเสธหรือเลือกที่จะไม่เสพอาหารใจที่มันไม่ดีเพราะนั้นความรู้ ก็มาก่อนเป็นเบื้องต้นใช่ความรู้เรามาจากไหนก็มาจากนั้นที่เราได้ยินได้ฟังหรือเดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือใช่ไมสมัยพุทธกาลนี่ก็สอนกันปากเปล่าแต่สมัยนี้ก็ได้จดจารึกถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงธรรมเอาไว้เราก็มาหาอ่านได้อีกทั้งนักปราลรุ่นหลังๆก็แต่งตำราเอาไว้เยอะนะเราก็ไปหาอ่านได้ หรแม้แต่เทศของครูบาอาจารย์ก็มีมากมายที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเสียงบางคนชอบอ่านหนังสือก็มีถอดเทปเอามาเป็นหนังสือแล้วก็หาความรู้เหล่านี้แหละเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะได้รู้ชัดรู้แจ้งว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรที่มันดีแล้วถูกใจอะไรที่มันไม่ดีแล้วถูกใจอะไรที่มันดีแต่ไม่ถูกใจ ก็มีอะไรที่มันไม่ถูกใจแต่มันดีก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเลือกเลือกเสตอาหารที่มันดีต่อจิตใจนั่นแหละมันก็อาจจะเหมือนเด็กๆซะหน่อยหนึ่งที่ว่ า, าเด็กๆเล็กๆเนี่ยกว่าจะให้กินผักได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกกันไปถ้ากินอาหารมันไม่ครบห้าหมู่มันก็ไม่ดีแหละใช่ไหมวิตามินเอยเกลือแร่เอยอะไรมันก็ไม่มี เพาะนั้นผักผลไม้นี่มันก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันไม่ใช่จําเป็นแต่ข้าวเนื้อไขมันมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันก็ต้องให้มันครบๆนี่แหละหอย่างแต่แน่นอนแหะเด็กๆ ก, ก, ก็ชอบอะไรหวานหวานๆ น, นะผักมันก็ขมๆ ม, มันก็ไม่ใช่รสชาติที่น่าถูกใจเด็กๆแต่มันก็ต้องหัดให้เขากินนั่นแหละพอกินได้สักพักหนึ่งมีความเคยชินมีความคุ้นชินมันก็กินได้ ใจเราก็เหมือนกันอาการของใจเนี่ยมันก็ไม่ได้มันมีความเคยชินที่เราสั่งสมมาอยู่แล้วว่าอะไรที่เราชอบเราก็พยายามจะสรรหารได้แบบนั้นเนี่ยให้ใจใช่ไหมแต่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากไม่อยากที่จะเส่ไม่อยากที่จะทําแต่แน่นอนการที่เราจะมาฝึกมาพัฒนาศักยภาพให้ใจเรามันดีขึ้นเนี่ยมันต้องต้องฝืนซะหน่อยหนึ่ง แต่ก่อนฝืนเนี่ยเราก็ต้องรู้ละ ว, ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้ใจเราเนี่ยหิวอะไรที่มันทําให้ใจเราร้อนเนี่ยอันนี้เราสังเกตได้ง่ายเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่างเช่นอยู่ในที่ทํางานเนี่ยคนนั้นก็ชอบพูดบ่นคนนี้คนนี้ก็ชอบพูดดินทากลุ่มโน้อนอย่างเงี้ยพอเราเข้าไปเสพ บ, บ่อยๆเนี่ยมันก็พัฒนาให้เราคิดไม่ดี ขุนเครืองง่ายมีอคติอยู่กับคนหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยพอเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยใจเราก็แน่นอนแหละมันไม่ใช่ทำให้มีศักยภาพใจที่มันดีแล้วอาหารใจที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือทำให้ใจของเราเนี่ยมันอิ่มใจของเรานี่มันสงบใจของเราที่มันไม่เร่าร้อนขุ่นมัวเป็นใจที่มันเยือกเย็นห่องใส เพราะฉะนั on, てて้นวันนี้เราก็นอกจากจะมาปรับเรื่องความรู้ความเห็นที้มันตรงแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมาฝึกด้วยเพราะว่าสกิลมันเพิ่มจากการฝึกมันไม่ได้เพิ่มมาจากการที่เราจาอะไรได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับทุกวันเนี้ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่สิ่งที่เราเห็นกันจนชินน่ะว่าส่วนมาก คนเราก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่มันควรจะต้องทำแต่คนเราส่วนมากเลือกทำในสิ่งที่มันพอใจถูกใจเฉยๆเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนายกระดับจิตใจของเราให้มันมันเลือกมีกำลังใจที่จะหักความพอใจมาสู่ความถูกต้องแล้วกำลังใจตรงเนี้ยมันก็ได้มาจากการที่เราฝืนทำฝืนทาฝืนทำอยู่บ่อ ย, อยๆนั่นแหละ การที่เราฝืนทาได้ทีละหน่อยฝืนทำได้ทีละหน่อยมันก็เหมือนเราหยอดกระปุกน่แหละหยอดไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยกาลังใจแล้วก็เพิ่มขึ้นมาทีละหน่อยพอเราหักความไม่ดีลงไปได้เราก็มีความเขาเรียกว่ามีความภาคภูมิใจในการที่เราทาในสิ่งที่ดีได้แล้วก็ปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ดีเราก็มีความภาคภูมิใจผู้ง่ายมีกาลังใจเพิ่มขึ้นนั่นแหละ พอมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมันก็ไปเป็นกำลังให้คราวหน้าคราวถัดๆไปที่ต้องใช้กำลังใจที่มันมากขึ้นในการที่เราจะหักในสิ่งที่เราชอบที่มันเข้มข้นกว่าเดิมหักสิ่งที่มันชอบออกไปแล้วก็ทำสิ่งนี้เราควรจะทำเราควรจะต้องพัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นทีนี้แบบฝึกมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่เราพยายามให้ใจเรามีเครื่องอยู่ ที่ดีสักอันหนึ่งพยายามสร้างบ้านที่ดีสักอันหนึ่งให้ใจเราอยู่เหมือนคนเราเนี่ยมันก็ยังต้องมีบ้านใช่มมีบ้านเพื่ออะไรกันฝนกันเหลือบยุงแดดแล้วก็กันขโมยขจรเหล่านี้พอเรามีบ้านเนี่ยมันก็ทำให้เราอยู่สบายขึ้นใจเราถ้าไม่ได้มีเครื่องอยู่ที่ดีเนี่ยมันก็ล่องรอยไปนะล่องรอยไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีล่องรอยไปตลอด มันจะทำให้เหมือนคนเราเนี่ยเดินทางตลอดเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็หิวมันก็รู้สึกไม่สบายมันมันเหมือนคนไม่ได้พักนะเดินตลอดตลอดทีนี้ถ้าเราลองสร้างบ้านอันใหม่หลังใหม่ให้ใจเราอยู่ก็คือลมหายใจก็ดีหรือเราจะลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็บริกา ร, รพุทโธไปด้วยเนี่ยก็ได้ก็คือเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องอยู่ให้ใจเวลาที่ไม่ได้อยู่กับการงานไม่ได้อยู่กับเรื่องที่เราจำเป็นต้องคิดเราก็ดึงใจเราเนี่ยให้มันไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนให้มันกลับมาอยู่ในบ้านคือพุโทโธคือลมหายใจตรงนี้หัดให้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละพอมันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยอารมณ์ของพุโทโธก็ดีอารมณ์ของการหายใจก็ดีมันก็เป็นอารมณ์กลางๆนี่แหละเป็นอารมณ์ที่ ทำให้เมื่อใจอยู่ตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่อย่างมั่นคงแล้วเนี่ยมันก็จะปรับสภาพให้ใจของเราเนี่ยมีความสงบประงับจากอารมณ์อื่นๆสงบอารมณ์อื่นๆลงได้ก็มาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กลางๆของพุทโธของลมหายใจอยู่ได้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเราจินตนาการมันก็อาจจะแบบอย่างนึกไม่ออก แต่ถ้าเราลองทําแล้วแล้วเราได้รับความสงบตั้งมั่นในอารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าเวลาที่ใจเราอยู่กับพุโทโธใจเราอยู่กับลมหายใจได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันทําให้ใจเราเนี่ยมีสภาพที่มันไม่หิวมีความอิ่มมีความพออยู่ในจิตใจมีความสงบระงับจากตาหูจมูกลิ้นกายมีความสบายเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้น แต่ในภายในจิตใจของเราถ้าเปรียบเหมือนกับการที่เราเดินทางอยู่ตลอดทั้งวันไม่ได้พักเลยการที่เราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราแวะเข้าไปพักพักผ่อนอยู่ในที่อยู่ในที่พักพรเราพักสักหน่อยหนึ่งเนี่ยไออาการเมื่อยล้าไออาการที่เหนื่อยต่างๆหรือการที่เราจะต้องโดนแดดโดนลมล้วก็ได้หลบ เราก็ได้หินน้ําเข้าห้องน้ําอย่างนี้มันก็มีความสบายมีความสบายเกิดขึ้นน่ยชั้นใดชั้นนั้นเวลาที่ใจเรามาอยู่กับพุทโธใจเรามาอยู่กับลมหายใจได้อย่างตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็ได้พักได้พักจากความวุ่นวายจากภายนอกจากการที่เราได้เห็นทั้งเรื่องที่เรายินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจ ได้ยินในสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่เราไม่พอใจมันคละเคล้ากันไปมันก็ทำให้ใจเราเนี่ยไปตามในสิ่งที่เราได้ยินไปตามในสิ่งที่เราเห็นไปตามในสิ่งที่เรากำลังส่งใจออกไปพัวพันกับมันอยู่แต่พอเราย้อนกระแสใจย้อนความใส่ใจของเราเนี่ยย้อนกลับมาที่พุทโธย้อนกลับมาที่ลมหายใจได้อย่างตั้งมั่นได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า ความวุ่นวายมันก็ได้ถูกกีดกันได้ถูกบล็อกเอาไปจากใจของเราใจของเราก็มีความสบายมีความสุขแต่ในภายในเกิดขึ้นซึ่งความสุขแบบนี้เนี่ยมันก็คนละความสุขคนละแบบกับความสุขที่เราได้จากการที่เราไปดูหนังฟังเพลงได้จากการที่เราไปเที่ยวหรือ เรืจากการที่เราไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปตามตามปกติวิสัยของเราแต่การที่เราสงบระงับจากสิ่งเหล่านั้นได้มาตั้งมั่นอยู่กับพุโทโธมาตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้เราก็จะสัมผัสได้ทันทีว่ามันเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งที่มันเป็นความสุขแต่ในภายในเป็นความสุขที่มันละเอียดประณีตแล้วเราก็รู้สึกว่าความเต็มความอิ่มความพอในหัวใจมันมีได้ มันมีได้แต่ถ้าเราย้อนเปรียบเทียบไปกับไอ้ความสุขที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นในแบบเก่าๆแล้วเนี่ยมันจะเทียบเคียงแล้วมันเห็นได้เลยว่าไอ้ความพอความอิ่มเนี่ยในความสุขแบบนั้นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นไม่ได้มันมีแต่ความต้องการที่จะเพิ่มโดสขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเอาคนคนรักกันคนจีบกันเนี่ยใหม่ๆมันก็อะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยมันก็ดูมีสีสันไปหมด แต่พอเริ่มคบกันไปสักพักหนึ่งมันก็เขาเรียกว่ามันก็เติมอารมณ์ให้กันเนี่ยในแบบปกตินั่นแหละเลเวลปกติแต่ความเคยชินความคุ้นชินของใจที่มันเคยได้อยู่บ่อยๆมันก็ทําให้รสชาติเนี่ยมันจืดไปมนคนกินหวานเหมือนกันกินเท่านี้กินเท่านี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าโอ้ยมันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หวานปกติทีนี้เราอยากให้มันรู้สึก หวานสดชื่นบวมืเดิมเราก็ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มเหล่านี้มันเป็นความสุขที่มันจะต้องคอยเพิ่มโดสขึ้นไปเรื่อยๆที่ที่มันจะคอยมากระตุ้นให้เรารู้สึกว่าอืมเรามีความสุขที่มันมากขึ้นแต่ความสุขในภายในเนี่ยมันคนละแบบกันเรามีน้อยเราก็อิ่มได้เรามีความสุขมีความสงบระงับมากมันก็อิ่มได้เหมือนกันอิ่มน้อยอิ่มมากมันก็ทาให้เกิดความพอ ในหัวใจได้เป็นความส ง, สงบระ ง, งับที่เราไม่ต้องไปพึ่งสิ่งภายนอกด้วยพึ่งแค่เฉพาะเราอย่างเดียวพึ่งเฉพาะพุโทโธกับลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เราหาเวลามาค่อยดูลมหายใจค่อยที่จะมานึกคําบริกรรมพุโทโธอยู่เรื่อยๆได้เนี่ยมันก็เป็นแนว เป็นวิถีที่จะทำให้ศักยภาพใจเราเพิ่มขึ้นได้แล้วมันก็ทำควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตของเรานี่แหละเราไม่ต้องสละเวลาอะไรมากเราแค่สละเวลาที่มันอิเล็กเก็คขักของเราเนี่แหละเอามาไว้กับพุทโธเอามาไว้กับลมหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเจียดเวลาไอ้ที่มันอิเล็กเก็คขั ก, ขกออกไปได้ เอามาใช้กับพุทโธเอามาใช้กับลมหายใจอยู่ได้เนี่ยแน่นอนความสุขในภายในของเราเนี่ยมันต้องมีเพิ่มขึ้นแน่นอนศักยภาพของใจเราต้องมีมากขึ้นแน่นอนศักยภาพที่เราจะต่อต้านความทุกข์ต้องมีเพิ่มขึ้นแน่นอนศักยภาพที่เราจะหาความสุขต้องมีเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วคนที่ ทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรามีประตูอีกบานหนึ่งประตูหาความสุขแบบเก่าแล้วก็หาเป็นแล้วก็ประตูความสุขที่เราหาได้จากการที่หลีกออกจากกามหลีกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลีกออกจากเรื่องวุ่นวายทั้งหลายมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทธโธ มันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่เกิดแต่ในภายในของเราเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตอยู่ในภายในของเราเราก็หาเป็นเพราะฉะนั้นเราจะมีออปชันเพิ่มมาอีกเป็นประตูความสุขบานหนึ่งที่เราก็หาได้บ่อยขึ้นหาได้ถี่ขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพึ่งกับสิ่งภายนอกมากเท่าเก่าพึ่งเฉพาะตัวเรานี่แหละ ให้ความสุขแบบเก่าเนี่ยก็ให้ชื่อมันว่าความสุขแบบวุ่นวายความสุขที่เสพไปแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราไม่อิม่มไม่พอมันยังรู้สึกต้องการอยู่เรื่อยๆก็เป็นความสุขแบบที่ใจมันยังวุ่นวายอยู่ยังวุ่นวุ่นอยู่แต่ความสุขที่เราได้จากการที่เรามาอยู่กับลมหายใจมาทําความสงบระ ง, งับให้เกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่มีผลทําให้ มันไม่วุ่นวายเพราะฉะนั้นความสุขแบบวุ่นวายเราก็หาเป็นความสุขแบบที่มันไม่วุ่นวายเราก็หาได้ชีวิตเรามันต้องมีออปชันที่มันดีขึ้นแบบนี้มันถึงจะดีทีนี้ก็อย่างที่ว่าไปมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะว่าเราจาอะไรได้เท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องของว่าเราฝึกมันได้ดีเท่าไหร่มันเป็นสกิลของการฝึกฝนก็เหมือนกับคนที่ว่ายน้า ไม่เป็นแล้วก็รู้แหละว่าต้องทำยังไงเอาตัวลงไปแล้วก็ยืดตัวตีขากวักแขนมันก็จะไม่จมแต่พอเอาเข้าจริงๆปุ๊บลงไปในน้ำจริงๆปุ๊บมันก็จมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีทักษะในการที่เราจะใช้แขนยังไงจะใช้ขาอย่างไงแล้วก็พอมันไม่มีทักษะเราก็มีความกังวล มากเกินปกติอีกอย่างนี้มันก็ทําให้อะไรอะไรมันไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถ้าเราได้ฝึกอมีคนคอยฝึกให้เราก็มั่นใจว่าเราไม่จมแน่เราไม่ตายแน่แล้วเราก็ค่อยๆเอาใช้แขนอย่างนี้นะใช้ขาอย่างนี้นะเวลาจะหายใจให้ทำอย่างนี้แรกๆมันก็ไม่ได้หรอกแต่พอทําไปทําไปฝึกไปฝึกไปพอมีชั่วโมงมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็เริ่มจะ ลอยตัวได้ดีขึ้นแหละอาจจะยังใช้แขนใช้ขาได้ไม่ดีแต่ก็ต้องลอยตัวได้ดีขึ้นแน่นอนแต่อจจพอเราทำได้ดีขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นอีกเนี่ยมันก็เริ่มที่จะว่ายแบบเป็นท่าเป็นทางได้แล ว, ว่ายจากเป็นท่าเป็นทางได้เรามีความชนนานมากขึ้ น, นก็ว่า ย, เ, ยเร็วขึ้นอนนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นทักษะของการทาความสงบใจก็เป็นทักษะนะที่เราต้องฝึกฝนเหมือนกัน ถ้าเราไม่ฝึกฝนแล้วเราจำได้แล้วโดยหวังว่าไอสิ่งที่เราจำจะทำให้เรามีความสุขที่มันมากขึ้นเราก็มาแก้ไขปัญหาคือความทุกข์ให้มันลดลงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากทำได้ก็นิดๆหน่อยๆแต่มันจะไม่มีประสิทธิภาพที่ดีสมมติจากร้อยก็อาจจะเหลือแค่ 5% หรือสิบเปอร์เซ็นตะไรเงี้ยถ้าเราเอาแค่จาแล้วก็มาเป็นหลักคิดเฉยๆ เพราะฉะนั้นการที่มันเป็นหลักคิดแต่กําลังใจเรามันยังไม่ดีเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ทําให้เราฝืนฝืนใจทําในสิ่งดีๆลําบากเพราะฉะนั้นการที่เราหัดฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยแหละมันทําให้ศักยภาพของใจเรามันเพิ่มขึ้นในหลายๆด้านด้านหนึ่งก็คือกําลังใจใช่ไหมด้านอีกด้านหนึ่งก็คือทักษะที่เราจะหลบหลีกอารมณ์มาอยู่กับอารมณ์ที่มันเป็น อาหารใจที่ดีหรือถ้าจะพูดในทํานองที่ว่ากลับมาอยู่ในที่อยู่ที่มันดีเครื่องอยู่ที่ดีกลับมาอยู่ในบ้านที่เราสร้างเอาไว้ดีแล้วได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างชํานาญก็เหมือนกับเวลาที่เราบุกเบิกเส้นทางใหม่ๆเนี่ยบางทีเราก็ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็งงๆยิ่งเดินทางตอนกลางคืนด้วยเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าโอ้มันไปยาก แต่ถ้าเราอยู่หรือว่าเราเดินเส้นทางนั้นบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันแน่นอนแหละข้างทางเป็นยังไงเราก็จำได้ดีขึ้นเลี้ยวซ้ายตรงไหนเลี้ยวขวาตรงไหนโอกาสที่มันจะหลงทางก็ลดลงแล้วเราก็ไปได้อย่างชำนาญขึ้นตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีบอ่อเราก็หลบเลี่ยงได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราเดินทางเส้นนี้มันบ่อยๆ เดินทางเส้นนี้ประจําจนชํานาญเนี่ยเราก็จะไปถึงจุดหมายไปถึงเป้าหมายได้ดีได้ง่ายได้สะดวกกว่าเดิมเพราะฉะนั้นความสงบใจเนี่ยมันก็เป็นมันเส้นทางนี่แหละที่เราก็ต้องพยายามเดินบ่อยๆเดินไปบนเส้นทางนี้ให้ได้บ่อยๆเราจะได้มีความชํานาญว่าอ่ะตรงนี้นะมันมีแยกออกไปทางนี้ไอ้แยกตรงนี้มันเป็นแยกหลอกนะที่มันดูหน้าตาคล้ายๆกันเราก็ กลับมาไม่ไปตรงนี้ต้องเลี้ยวนะอย่าตรงไปแล้วก็เลีเ้ยวเราก็จะไม่หลงเพราะฉะนั้นการทำความสงบใจเราก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องใช้เวลาที่สมัยก่อนอาจจะแบบว่าชั่วโมงหนึ่งยังไม่ค่อยได้เรื่องได้เราอะไรแต่ถ้าเราทาจนทำนานทาทุกวันทุกวันบางทีห้า น, นาทีสิบนาทีเราก็สามารถ เติมความสงบให้กับจิตใจได้เพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรที่เราอยากจะหลบเราอยากจะพักเราก็ใช้เวลาอันสั้นในการที่เราจะหลบเราจะพักเราจะเติมพลังให้กับจิตใจเราก็ทำได้ง่ายทำได้สะดวกเพราะฉะนั้นก็บัณที่จะทำบัณฑที่จะฝึกพอพูดถึงวิธีการไปบ้างแล้วเนี่ยแล้วไอ้วิธีการที่ บางคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเราก็ทํานะลมหายใจเราก็มีพุทโธเราก็นึกได้แต่ทําไมทําไมมันมันไม่เหมือนกับคนอื่นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําได้ดีมันก็อุปกรณ์แบบเดียวกันทําไมทําได้ผลไม่ดีเท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้เกือบถูกกับถูกเนี่ยมันจึงต่างกันแบบเส้นบางๆแค่นั้นเอง ใครๆก็มีลมหายใจใครๆก็ดูลมหายใจได้ใครๆก็นึกพุโทโธได้แต่การที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพอะมันถึงจะทำให้เราได้รับผลที่ดีแล้วอะไรที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพอะไรที่ทำให้มันไม่มีประสิทธิภาพสำคัญก็คือความใส่ใจความตั้งใจของเราเนี่แหละการที่เราสักแต่ว่าทาทาอย่างเดียว โดยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจทำอย่างเงี้ยมันก็ทำให้จักถูกเลื่อนมาเป็นเกือบถูเพราะฉั้นการที่เราทำให้ดิมดิีมีความตั้งใจมีความใส่ใจในทุกๆประโยชน์ของการบริการพุทธก็ดีในทุกๆลมหายใจของเราก็ดีมีความใส่ใจอย่างตั้งใจจริงๆอันแล้วมันก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการ ทำงานผลที่ได้จากการที่ทำงานอย่างดีมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องดีแน่นอนแต่พอทำไปสักพักหนึ่งมันก็จะต้องมีเครื่องล่อหลอกเราใช่ไหมอย่างเช่นความคิดบ้างแหละอย่างเช่นเสียงที่เราได้ยินบ้างหละหรือไม่ก็ปวดหลังปวดเอวอย่างนี้เป็นตน้นมันก็จะพยายามดึงความใส่ใจของเราเนี่ยออกจากลมหายใจ ดึงความสนใจของเราออกจากพุทโธถ้าเราไม่ละเอียดเราก็จะนึกว่าใจเราเนี่ยมันยังอยู่กับลมหายใจอยู่ใจเรามันยังอยู่กับพุทโธอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ละมันหนีไปทางสิ่งที่เราได้ยินมันหนีไปทางความคิดมันหนีไปทางกับปวดหลังปวดเอวบ้างอย่างนี้เป็นตน้นพอการงานมันไม่ต่อเนื่องเนี่ยผลที่ได้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามว่า อะไรที่มันทำให้การงานของเราเนี่ยทำได้ไม่ดีเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังในกันที่เรารู้แล้วนี่ว่าลมหายใจเราต้องอยู่กับลมหายใจมีความใส่ใจที่เราจะเฝ้าดูลมหายใจแต่ความคิดมันมาแล้วเราก็รู้แล้วมันเผลอไปทางความคิดเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันเอาความใส่ใจเนี่ยย้อนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ แต่ก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าขึงเคียดไปกับมันนะเราก็ทําสบายๆนี่แหละเพราะเวลาที่เราทําเราก็อยากให้มันมีความสุขใช่ไหมแต่การที่เรามานั่งขึงเคียดกับมันเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขอะไรใช่ไหมเพราะั้นเราก็ทําแบบสบายๆนี่แหละไม่ต้องไปเกรงอะไรมันมากตั้งความรู้ตั้งความใส่ใจเอาไว้แบบสบายๆเขาเรียกว่าทําเล่นๆก็ทําเล่นๆก็คือไม่ขึงเคียดกับมันอนะ แต่เราก็ทำอย่างจริงจังก็คือว่าถ้ามันเผลอเราก็ดึงมันกลับมาไว้ที่เครื่องอยู่ที่ลมหายใจที่พุทโธ ท, ที่อยู่เฉพาะหน้าของเราพยายามตั้งความใส่ใจของเราอยู่ตรงนี้ให้ได้เรื่อยๆแล้วผลที่ได้คือความสงบใจมันเป็นผลมาเองมันไม่ได้ว่าไม่ไม่ไหร่ความสงบใจมันจะมาสักทีหนึ่ง ไอ้นี่มันก็เป็นตัวที่มันทําให้เราไม่ได้อยู่กับพุโทโธอย่างจริงๆไม่ได้อยู่กับลมหายใจอย่างจริงๆมันก็เป็นเครื่องล่อหลอกของเราเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเอาใจไปวางเอาไว้ก็คือที่เหตุแต่ผลที่ได้คือความสงบนันเป็นผลที่มันเกิดขึ้นของมันเองนะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับเหตุให้มันดีตั้งใจให้มันไว้กับเหตุ อยู่เรื่อยๆอะไรที่มันจะทำให้เราเคลื่อนหลุดออกจากเหตุที่ดีอันนี้เราก็อย่าไปใส่ใจมันดึงมันกลับมาไว้ที่พุทโธดึงมันกลับมาไว้ที่ลมหายใจทำอย่างนี้แหละไม่ได้ทำอะไรมากอยู่ในระหว่างวันเวลาเราจะเดินไปไหนมาไหนเรามีสตินึกขึ้นมาได้แล้วก็แทนที่เราจะเอาใจล่องลอยไปล้วก็ โอ้นี่ลมหายใจเรานะอยู่ตรงนี้นี่พุโทโธนะที่เรานึกขึ้นได้บริกรรมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเดินช้อปปิง้งอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็นึกพุโทโธได้เห็นลมหายใจได้บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเรานึกพุโทโธอย่างเดียวเรานึกถึงลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันจะมองทางข้างหน้าได้หรือเปล่าแล้วมันจะไม่เดินหกล้มไปไหนหรือเปล่าเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะ เวลาที่เรามีความใส่ใจต้องบอกว่าความใส่ใจนะความตั้งใจของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ให้ที่ลมหายใจเนี่ยมันทำได้เวลาเรากินข้าวเรายังดูโทรทัศน์ไปได้ทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ดูโทรศัพท์มือถือพร้อมดูโทรทัศน์พร้อมกับกินข้าวพร้อมกับฟังคนข้างๆคุยเราก็ทําำได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สบายมากถ้าเราจะ ทำอะไรแล้วเราก็เอาความใส่ใจของเราเนี่ยมาตั้งไว้ที่พุทโธอย่างเราสมมุติว่าเราไปเดินซื้อของเนี่ยเราไม่ต้องวุ่นวายกับใครแน่นอนแหละมันก็ง่ายขึ้นเวลาที่เรากําลังจะดูว่าเ อ, อ่อของมันอยู่ตรงไหนล็อกไหนในระหว่างที่เรากําลังก้าวขาเดินเราก็นึกพุทโธได้ใจเราก็อยู่กับพุทโธได้เราก็อยู่กับลมหายใจได้ซึ่ง ถ้าเราทําได้ชํานาญเราทําได้บ่อยเนี่ยเราจะเห็นความรู้สึกในใจของเราอันหนึ่งสติที่เรากําลังเห็นร่างกายเนี่ยมันเดินอยู่มันทํากิจกรรมอยู่ก็อันหนึ่งสติที่มันเห็นกายตัวนี้เห็นว่ามันกําลังทํานูน่นทํานี่อยู่อันหนึ่งแล้วถ้าเราทําได้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะดีมากเพราะการที่เรามีสติที่มันเป็นสัมมาสติแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย มันก็จะพัฒนาไปถึงตรงที่มีสติเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งอยู่ได้บ่อยๆถ้าเราไม่ได้มีสัมมาสติแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าร่างกายมันเดินแต่เรากับร่างกายเป็นอันเดียวกันเราก็พยายามทำนุ่นทำนี่ไปแต่เวลาที่เราฝึกดูลมหายใจบ่อยๆฝึกนึกคาบริกรรมอยู่ได้บ่อยๆเนี่ยพะเราทำจนเริ่มมีนิสัยอยู่บ้าง มีความชำนาญอยู่บ้างเราก็จะเริ่มเห็นว่าในขณะที่เรากำลังบริกรรมพุทโธในขณะที่เราดูลมหายใจอยู่ในระหว่างกิจวัตรประจำวันของเราเราก็จะเห็นว่าออร่างกายเนี่ยมันก็ทำงานของมันนะแต่ใจเราก็ยังจดจ่ออยู่กับพุทโธอยู่ใจเรายังจดจ่ออยู่กับลมหายใจอยู่เออมันก็เป็นสภาวะที่เราอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนถ้าเราไม่เคย มานั่งบริกรรมพุโทโธหรือว่าดูลมหายใจแต่พอเราเห็นแบบนี้แล้วเห็นว่าเรามีสติเห็นกายมันทำงานไปที่มันไม่เกี่ยวเนื่องกับจิตใจที่จิตใจเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับการบริกรรมแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาแหละ ว, ว่าเออกายอันหนึ่งนะใจอันหนึ่งนะได้อย่างนี้อยู่บ่อยๆพอเราเห็นอย่างนี้ได้บ่อยๆเราก็จะเห็นว่า จิตใจมันเป็นเรื่องสําคัญนะร่างกายมันก็ส่วนภายนอกไปเลยแต่พอมันมีสภาวะที่มันดีแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยภายนอกสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเข้าไม่ถึงใจมันเข้าไม่ถึงใจมันไม่กระตือเทิ่นใจว่างกันเถอะนะมันไม่กระเทือนใ จ, นอนะนนใจพอมันเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้การที่เราดูแลจิตใจที่ดีเนี่ยเรื่องที่มัน ตามแบบปกติน่มันเข้าไปถึงใจได้หลายอย่างเราก็จะค่อยๆกรองสิ่งต่างๆเนี่ยออกไปได้จากใจระดับหนึ่งมันก็เหมือนใจที่เราได้ติดเกราะป้องกันความทุกข์ป้องกันสิ่งที่มันมากระทบกระเทือนใจเราได้ระดับหนึ่งแล้วก็แน่นอนแหละพอเราเห็นการอันหนึ่งใจอันหนึ่งอยู่ได้บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆเนืองๆ เ, เนี่ยสิ่งที่มันพัฒนา ม, มากขึ้นไปอีกนอกจากที่มันจะเป็นเกระ คอยคุ้มครองใจแล้วเนี่ยก็คือพัฒนาไปเป็นความรู้เป็นความเห็นเป็นความเข้าใจว่ากายกับใจเนี่ยเรามีความมั่นใจเลยว่ามันเกี่ยวเนื่องกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันกายก็กายใจก็ใจคนละอันกันแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันนะไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวเนื่องกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแล้วอะไรที่มัน เกี่ยวพันกับความเป็นเรามากกว่ากันระหว่างกายกับใจเราก็จะรู้สึกได้แหละว่าใจเนี่ยมันเป็นเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคําว่าเรามากกว่าร่างกายอีกแล้วมันก็พัฒนาทําให้เราเห็นไปอีกได้ว่าเออกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งแต่ความเป็นเราเหมือนก็ฝากไว้อยู่กับจิตใจกายมันก็ทําให้เห็นได้ว่ามันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นเราลดลง เราก็ค่อยๆขัดความเห็นที่ว่ากายนี้อ่ะมันเป็นของเราออกไปความรู้ความเห็นในจิตใจเราก็จะชัดเจนขึ้นว่าเออมันก็ของมันร่างกายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายของมันไปถ้าตราบใดที่มันไม่กระเทือนใจเราเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าเออกายมันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นความเห็นที่มันจะเห็นว่ากายนี้เป็นเราเนี่ยมันก็ค่อยๆดดน ขัดออกไปจากความเห็นในใจของเราจากความรู้สึกในใจของเราสำคัญนะการที่เรามีความเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เรากายนี้เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากเราอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานเขาเรียกว่าเป็นงานที่มันจะทำให้ เ, เาเรียกว่าเป็นส่วนผสมสำคัญ เป็นส่วนผสมหลักที่เราจะพัฒนาความสุขความทุกข์ของเราเนี่ยได้ดีขึ้นเราจะกระทบกระเทือนใจได้น้อยลงจากการที่เรามีความเห็นว่ากายเนี้ยไม่ใช่ของเรากายเนี้ยไม่ใช่เป็นเราและสุดท้ายกายเนี้ยมันก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขามันก็สุดท้ายเนี่ยมันเข้าเตาเผามันก็เหลือแค่ กองขี้เท่าอันหนึ่งนะทำไมเราไม่เรียกกองขี้เท่าว่ามันเป็นผู้ชายไม่เรียกกองขี้เท่าว่าเป็นผู้หญิงทําไมเราไม่เรียกกองขี้เท่าตัวนี้ว่าเป็นหมาไม่เรียกว่าเป็นคนเพราะว่ามันคือความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันก็เป็นแค่ของสมมติชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองถ้ามันเอาเข้าเตาเผาไปแล้วเนี่ยไม่ว่าหมาแมวคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็ สภาพไม่ต่างกันเลยเป็นกองขี้เท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มาจบตรงที่ว่าสุดท้ายมันก็มาเหลือตรงที่เป็นกลองขี้เท่าอันเดียวเท่า น, นั้นเองเราก็จะเห็นไปว่าไอ้ความที่มันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยมันแค่ช่วงเวลาเฉพาะเฉพาะช่วงหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ถาวรตลอดไปตลอดกาลนานไม่ใช่ เป็นแค่จบอยู่ตรงที่ความตายเฉยๆพอตายแล้วเข้าเตาเผาแล้วหรือไม่เข้าเตาเผาก็ดีมันก็ไปจบตรงที่ว่าก็สลายไปเป็นธาตุ ด, ดินอันหนึ่งเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยความเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยึดถือกับมันมากว่าอ๋อไอนี่ต้องเป็นคนไอ้นี่ก็ต้องต้องเป็นคนอยู่ตลอดอไม่ใช่ไอความเห็นเหล่านี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆดนขัดออกไปจากจิตใจแต่แน่นอนอันเนี้ยมันอาจจะ ไปถึงยากหน่อยเพราะนั้นเอาแค่พื้นฐานตรงที่ว่าใจกับการเป็คนละอันกันก็ทําให้เราลดทอนความทุกข์ไปได้เยอะแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เดือดร้อนกับร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าเก่ามันจะปวดแขงปวดขาเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันมากเท่าเก่าเพราะมันเข้าไม่ถึงใจเรามันก็เป็นอย่างนั้นของมันมันเกิดมามันก็ต้องมีป่วยมีเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของมัน พูดง่ายเราก็จะมีศักยภาพในการที่พัฒนาความรู้ความจริงในการที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยได้ตามความเป็นจริงที่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะการที่เรามีความรู้มีความเห็นแล้วยอมใจเนี่ยมันยอมรับในความเป็นจริงตามแบบที่มันเป็นได้เราจะทุกข์กับมันน้อยลงเราจะอยู่บนโลกนี้ด้วยความทุกข์ที่ลดลง แต่การที่เราอยู่บนโลกนี้เรายังมีความทุกข์มากเนี่ยเราลองไปสังเกตเลยว่าคนที่มีความทุกข์มากๆเนี่ยมากๆเลยเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงเท่าไหร่อย่างคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยพอเหลือสักเงินแสนเงี้ยจากคนไม่มีเงินแสนเลยนะไม่มีเงินเลยเงี้ยมีเงินแสนนี่เขาก็ดีใจดีใจละใช่ไ ยิ่งเราไปดูตามรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยที่เขาว่าโอ้คนนั้นก็ยากจนแบบนี้มีปัญหาแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้เงินหมื่นเงินพันเงินแสนนี่มันมีค่าสําหรับเขามากๆเลยแต่การที่คนที่เคยมีเงินหมื่นล้านพันล้านน้อยลงเหลือแค่เงินแสนเนี่ยโอ้ยเขาทุกข์มากเลยแต่ถ้าเราเห็นนะตามความเป็นจริงว่ามีเงินเงินร้อยเราก็ใช้มันในแบบที่เรามีเงินร้อยล้วก็ไปได้ เรามีเงินพันเราก็ใช้ในแบบที่เรามีเงินพันเรามีเงินหมื่นเราก็ใช้ในแบบสถานะคนมีเงินหมื่นน่มันก็มีความสุขดีแต่ถ้าใจเราไม่ไม่ยอมรับเราบอกว่าเพื่อนเราคนรอบข้างเราก็มีเงินแสนแต่เรามีเงินหมื่นเราอยากใช้เงินให้มันเหมือนคนมีเงินแสนเนี่ยความทุกข์มันมาเต็มเลยทีนี้เราก็ต้องหาเงินนี่มันมาเติมมาหมุนเพื่อที่จะให้มันใช้ในระดับคนมีเงินแสนแบบเขา ความทุกข์มันก็มากเลยเพราะฉะนั้นการที่เรายอมรับความเป็นจริงอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เราลดทอนความทุกข์ลงไปจากชีวิตของเราเนี่ยได้มากแล้วโดยเฉพาะถ้าเรามองพิจารณาให้มันเห็นถึงความเป็นจริงของร่างกายเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขที่มันมากขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเราก็จะเห็นความจริงเลยแหละว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายที่ อยู่ยั่งยืนถาวรไม่เปลี่ยนแปลงแต่ธรรมชาติของร่างกายก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจากตอนที่คลอดออกมาแล้วมันจะสตาร์ทอยู่เท่านั้นก็ไม่ใช่เราก็ค่อยๆสูงขึ้นโตขึ้นใช่ไหมจนมาถึงอายุที่แต่ละท่านแต่ละท่านเป็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็ต่างกันจากตอนที่เราเกิดมาม า, มากมายและในระหว่างทางอันนี้ เ, เราก็จะเห็นได้ว่ามันก็แสดงอาการให้เราเห็นอยู่แล้วว่า มันก็เปลี่ยนไปในทางที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างเวลาที่มันไม่ดีเราก็พยายามพยายามจะรักษามันให้มันดีอะตามกําลังของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจไหมคือว่ามันเปลี่ยนไปได้ตลอดมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาของมันแต่ถ้าใจเรามันค้านว่ามันป่วยไข้ไม่ได้อ่ามันแก่ไม่ได้ แล้วมันตายไม่ได้แน่นอนว่าเราก็จะต้องพยายามอีกมากเพื่อจะค้านกับความจริงเหล่านี้มันก็ทำให้เราชีวิตเราก็จะหนักชีวิตเราก็จะทุกข์มากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าการที่เรายอมรับความจริงแล้วเราไม่ทำอะไรกับมันเลยก็ไม่ใช่นะก็ะคือเหมือนรถอะเรามีรถเราก็ต้องไปเติมน้ำมันไปถ่ายน้ำมันเครื่องออล้อมันยางแตกแล้วก็ไปเปลี่ยนเนี่ยร่างกายเราก็เหมือนกัน มันป่วยไข้เราก็พาไปหาหมอมันแก่เราก็ทําอะไรไม่ได้ก็มันแก่มก็แก่ไปตามวัยเพราะฉะนั้นการที่เรายอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ได้ เ, เราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับมันพอพูดมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าโอ้ดูแล้วมันมีหลากหลายที่เราจะต้องเหมือนเป็นงานอะที่มันมีหลากหลายด้านเลยเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ย งานหลากหลายันนั้นเนี่ยที่เราพูดกันแง่นั้นเงื่อนนี้ด้านนั้นด้านนี้เนี่ยมันก็เป็นมันเหมือนกับลูกเต๋าอะลูกเต๋ามันก็จะมีหลายหน้าใช่ไหมแต่สุดท้ายถ้าเรามองเป็นลูกเต๋ามันก็เป็นลูกเต๋าก้อนเดียวนั่นแหละไอ้การที่เราจะพัฒนาความสุขความทุกข์ของเรามันก็ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่บนพื้นฐานของการที่เรามีสติเห็นกายเห็นใจ ถ้าเรามีสติเห็นกายเห็นใจอยู่ได้อย่างเนืองๆผลผลได้ที่มันได้ก่อนคือความสงบความไม่วุ่นวายมันก็เป็นความสุขเบื้องต้นให้เราแต่ผลในระยะกลางในระยะยาวก็คือว่าเราก็พัฒนามันไปจนที่เรารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็พัฒนาให้ใจเราเนี่ยมันไม่ค้านกับความเป็นจริงเราก็จะมีความสุขความทุกข์ที่ได้รับการแก้ไขได้ดีขึ้นอีก นอกจากว่าทําความสงบอย่างเดียวการที่เราทําความสงบอย่างเดียวมันก็มีความสุขได้แต่การที่เราออกจากสมาธิความสงบมันก็หายไม่ได้เหมือนกันเท่านัที่เรามีศักยภาพในการที่เรารู้เท่าทันตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาวุธอีกเล่มหนึ่งอีกแบบหนึ่งที่มันจะทําให้เราพัฒนาจากนักหลบคือหลบเข้าสมาธิหลบเข้าความสงบเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนไปเป็นนักรบในการที่เราจะสู้สู้กับเหตุต่างๆที่มันจะมาบั่นทอนทำให้ใจเราเป็นทุกข์เราก็จะมีอาวุธที่เราเรียกว่ารู้เท่าทันตามความเป็นจริงเอาไว้ไปสู้กับเหตุที่มันจะมาทำให้ใจเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ทั้งวิธีทำความสงบด้วยแต่ก็อย่า ละเลยที่จะทำมันบ่อยๆทำให้มันเป็นศักยภาพมีเป็นความชำนาญให้กับตัวของเราเองถ้าเราทำได้ไม่ชำนาญผลจากการมีความรู้ที่ดีมันก็ไม่ปรากฏได้อย่างดีอ่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพในการที่เรามีความรู้มีความจำที่ถูกต้องแล้วเราก็เอาไปใช้ไปพัฒนาให้มันเป็น ศักยภาพจริงๆที่ใจของเราเบื้องต้นก็คือหัดทำความสงบนี่แหละพอเราทำความสงบแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่มันนั่งหลับตาอย่างเดียวนะเราก็ให้ใจมีเครื่องอยู่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่กินข้าวอาบน้าแปลงฟันหรือในระหว่างวันเนี่ยก็คอยเห็นใจเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธได้อยู่เรื่อยๆอันนี้ก็จะทาให้ศักยภาพเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้น ศักยภาพของใจดีขึ้นแล้วพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผลที่ได้จากการที่เรามีศักยภาพใจที่ดีขึ้นคุณธรรมต่างๆเราก็จะมีได้ดีขึ้นอย่างเช่นสติที่เราจะรู้เท่าทันใจเราก็ดีขึ้นพอรู้เท่าทันใจดีขึ้นเราก็ฝึกขึ้นไปอีกเราก็จะมาหักห้ามใจดีขึ้นมีกําลังใจที่จะมีความอดทนอดกลั้นดีขึ้นมีความเห็นโทษมีความเห็นทุกข์เราก็มีเมตตาต่อ คนรอบข้างต่อคนที่ตกทุกข์มากขึ้นคุณธรรมต่างๆมันก็เป็นผลพวงที่มันจะเจริญขึ้นได้จากการที่เรามีสติคอยเห็นลมหายใจคอยเห็นพุโทโธคอยเห็นกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งอยู่แบบนี้แลนสำคัญก็คือว่าอย่าละเลยนะถือว่าวันนี้ก็ปรารบฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ให้มันเป็น จุดเริ่มต้นที่ดีจุดหนึ่งของชีวิตของเราท่านท่านที่จะนำไปเป็นจุดที่ดีเลิกที่ดีการเริ่มต้นที่ดีที่พัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์ลดลงที่ได้แสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุดติการแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้เอวัง